านท่านผู้มีอายุทั้งหลายในทำ16ประการนั้นภิกษุควรอนุมาณตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงมีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปเราก็คงไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปภิกษุควรอนุมานตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ยกตนข่มผู้อื่นย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่น เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่ยกตนจกไม่ข่มผู้อื่นภิกษุควรอนุมานตนเองอย่างนี้ว่า <power ful> บุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำเราก็คงไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำภิกษุควรอนุมาลตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุ เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุภิกษุควรอนุมานตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุ เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุภิกษุควรอนุมาทตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มักโกรธเปล่งวาจากใกล้ความโกรธย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจากใกล้ความโกรธ เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจากไม่เป็นผู้มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธภิกษุควรอนุมานตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลเมื่อถูกโจ์แล้วกลับโตเถียงโจทย่ยอมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงถูกโจทแล้วกลับโตเถียงโจด เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราถูกโจดแล้วจักไม่โตเถียงโจดภิกษุควรอนุมานตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถูกโจดแล้วกลับลุกราญโจดย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราถูกโจดแล้วกลับลุกราญโจดเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่น ภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราถูกโจดแล้วจะไม่รุกรานโจดภิกษุควรอนุมาลตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถูกโจดแล้วกลับปรักปรำโจทย่ยอมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงถูกโจดแล้วกลับปรักปรำโจดเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่า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 เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราถูกโจดแล้วจะไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏภิกษุควรอนุมาลตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถูกโจดแล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเรา ถ้าเราจะพึงถูกโจ์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราถูกโจ์แล้วจักยอมอธิบายพฤติกรรมของตนภิกษุควรอนุมานตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเรา ถ้าเราจะพึงเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตียเสมอเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอภิกษุควรอนุมานตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ริสยะตรณีย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้ริยะตรณี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 ภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะเป็นผู้ไม่อโอดไม่มีมารยาภิกษุควรอนุมานตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่า เราจะเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นภิกษุควรอนุมาทตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่า เราจากไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ถือรั้นจกเป็นผู้สลัดได้ง่ายการพิจารณาตนเองท่านผู้มีอายุทั้งหลายในธรรมสประการนั้น ภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปจริงภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า เราไม่ใช่ผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปม่ใช่ผู้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในครูศรธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืนพึงอยู่ด้วยปิติและปราโมทโดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า เราเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นจริงภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเลยภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทโดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่า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 พึงอยู่ด้วยปีติและปรามโมทโดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มกักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มกั mute, กโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงภิกษุนั้นควร <pinch ed accent> พยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า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 ภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธจริงภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านี้เสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธ ภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทโดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจดแล้วกลับโต้ถิ้งโจดจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราถูกโจดแล้วกลับโต้ถิ้งโจดจริงภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นเสีย แต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราถูกโจ์แล้วไม่โต้เถียงโจ์ภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืนพึงอยู่ด้วยปิติและปราโมทโดยแท้อีประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจ์แล้วกลับลุกรานโจดจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า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 พึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทโดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจดแล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราถูกโจดแล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้าย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 เราถูกโจดแล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศสธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืนพึงอยู่ด้วยปิติและปราโมทโดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอจริง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 อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้โอ้อวดมีมานยาจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้โอ้อวดมีมานยาจริงภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมานยา ภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทโดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นจริงภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละาบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสีย แต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในคุศสธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทโดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า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 ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอกุศรธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดซึ่งยังละไม่ได้ในตนภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศรธรรมเหล่านี้ทั้งหมดนั่นแลแต่ถ้าพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอกุศรธรรมเหล่านี้ทั้งหมดซึ่งละได้แล้วในตนภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศรธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืน พึงอยู่ด้วยปิติและปราโมทโดยแท้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายสตรีหรือบุรุษแรกรุ่นชอบแต่งตัวส่องดูใบหน้าของตนในกระจกเงาหรือในภาชนะน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ถ้าพบฝฟหรือฝ้าที่ใบหน้านั้นย่อมพยายามที่จะกำจัดฝฟหรือฝ้านั้นนั่นแลหากไม่พบก็จะพอใจว่าเป็นโชคของเราจริงๆใบหน้าของเราหมดจดแม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดที่ยังละไม่ได้ภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดนั่นแลถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดที่ละได้แล้วในตนภิกษุนั้นผู้ศึกษายอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืน พึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทโดยแท้ท่านพระมหาโมคลานะได้กล่าวภาศิทนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาสิตของท่านพระมหาโมคลานะดังนี้แหละอนุมานสูตรที่ห้าจบ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 ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่กิเลสเครื่องตรึงจิตดุตตะปูหประการที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งยังละไม่ได้กิเลสเครื่องผูกใจ5ประการที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งยังตัดไม่ขาดเธอจักถึงความเจริญงอกงามไพูโบ์ในธรรมวินัยนี้ พิเรฆเรื่องตรึงจิตดุตตะปูห้าประการที่ภิกษุนั้นยังละไม่ได้อะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในศาสดาจิตของภิกษุผู้เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในศาสดานั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึงหน่งเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียร นี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่หนึ่งที่ภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียรอย่างละไม่ได้ 2. เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในธรรมละถึงนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่สองที่ภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียรอย่างละไม่ได้ 3. เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในสงนี้เป็นกิเลสเครื่องตรุงจิ ต, ตดุจตปะ ป, ปูประการที่สที่ภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียรอย่างละไม่ได้ 4. เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในศีกขาข้อที่จะต้องศึกษานี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่4ที่ภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียรอย่างละไม่ได้ 5. เป็นผู้โกรธไม่พอใจมีจิตถูกโทสะความคิดประทุจร้ายกระทบ มีจิตแข็งกระด้างในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายจิตของภิกษุผู้โกโรธไม่พอใจมีจิตถูกโทสะกระทบมีจิตแข็งกระด้างในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียร น, นี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุตตะปูประการที่หที่ภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทาต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรอย่างละไม่ได้เหล่านี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุดตะปูห้าประการที่พิกษุนั้นยังละไม่ได้กิเลสเครื่องผูกใจห้าประการ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 เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนดในกายและถึงนี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่สองที่ภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งๆเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบาเพ็ญเพียรอย่างตัดไม่ขาด 3. เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนดในรูปนี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่สที่พิษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียร ประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียรยังตัดไม่ขาด 4. ีชั้นอาหารตามความต้องการจนอิ่มเกินไปประกอบความสุขในการนอนความสุขในการนอนเอเนกเคนกความสุขในการหลับอยู่นี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่สีที่ภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพืเพ่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่อง เพื่อบำเพ็ญเพียรยังตัดไม่ขาด 5. ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลวัตตะบะหรือพรหมจรรย์ น, นี้เราจะเป็นเทพหรือเทพตนใดตนหนึ่งจิตของภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลวัตตะบะหรือพรหมจรรย์ น, นี้ เราจากเป็นเทพหรือเทพตนใดตนหนึ่งย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียร น, นี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่หที่ภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียร ย, ยังตัดไม่ขาดเหล่านี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจ5ประการที่ภิกษุนั้นยังตัดไม่ขาด ภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่กิเลสเครื่องตรึงจิตดุตตะปูหประการนี้ที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งยังละไม่ได้กิเลสเครื่องผูกใจหประการนี้ที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งยังตัดไม่ขาดเธอจัก ถ, er ถึงความเจริญงอกงามไพ่บู์ในธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลา ย, ายเป็นไปได้ที่กิเลสเครื่องตรึงจิตดุตตะปูหประการที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละได้แล้ว กิเลสเครื่องผูกใจ5ประการที่พิกษุรูปใดรูปหนึ่งตัดขาดแล้วเธอจกถึงความเจริญงอกงามไพยบู์ในธรรมวินัยนี้กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูหประการที่พิกษุนั้นละได้แล้วอะไรบ้าง คือพิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ไม่เคลืบแคลงสงสัยน้อมใจเชื่อเลื่อมใสในศาสดาจิตของภิกษุผู้ไม่เคลืบแคลงสงสัยน้อมใจเชื่อเลื่อมใสในศาสดานั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่หนึ่งที่ภิกษุผู้มีจิตน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเนือง เพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียรละได้แล้ว 2. ไม่เคลือบแคลงสงสัยน้อมใจเชื่อเลื่อมใสในธรรมละถึงนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุตตะปูประการที่สองที่ภิกษุผู้มีจิตน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึง่งเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียรละได้แล้ว 3. ไม่เคลือบแคลงสงสัยน้อมใจเชื่อเลื่อมใสในสง์ นี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่3ที่ภิกษุผู้มีจิตน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียรละได้แล้ว 4. ไม่เคลือบแคลงสงสยัยน้อมใจเชื่อเลื่อมใสในศีก ข, ขานี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่4ที่ภิกษุผู้มีจิตน้อมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบหนึง่งเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรละได้แล้ว 5. เป็นผู้ไม่โกรธพอใจมีจิตไม่ถูกโทสะกระทบมีจิตไม่แข็งกระด้างในเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายจิตของภิษุผู้ไม่โกรธพอใจมีจิตไม่ถูกโทสะกระทบมีจิตไม่แข็งกระด้างในเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนือง เพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียร น, นี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุตตปูประการที่หที่ภิกษุผู้มีจิตน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งๆเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียรละได้แล้วเหล่านี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุตะปูหประการที่ภิกษุนั้นละได้แล้ว เลเครื่องผูกใจ5ประการที่ภิกษุนั้นตัดขาดแล้วอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทยานอยากในกามจิตของภิกษุผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรัก ปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทยานอยากในกามย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเพื terme, kingdom, Support, junto, ่อประกอบเนื่งเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่หนึ่งที่ภิกษุผู้มีจิตน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนื่งเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียรตัดขาดแล้ว 2. เป็นผู้ปราศจากความกำหนัดในกายและถึงนี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่สองที่ภิกษุผู้มีจิตน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งๆน่งเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรตัดขาดแล้ว3เป็นผู้ปราศจากความกำหนัดในรูปนี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่3ที่ภิกษุผู้มีจิตน้อมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียรตัดขาดแล้ว 4. ีชั้นอาหารตามต้องการจนอิ่มแล้วไม่ประกอบความสุขในการนอนความสุขในการนอนเอกขนกความสุขในการหลับอยู่นี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่สที่ภิกษุผู้มีจิตน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่อง เพื่อบำเพ็ญเพียรตัดขาดแล้ว 5. ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิลายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลวัตตะบะหรือพรหมจรรย์นี้เราจะเป็นเทพหรือเทพตนใดตนหนึ่งจิตของภิกษุผู้ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลวัตตะบะหรือพรหมจรรย์นี้ เราจะเป็นเทพหรือเทพตนใดตนหนึ่งย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ 1, ่งเนืองเพื hmm. ่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบาเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่ห้าที่ภิกษุผู้น้อมจิตไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบาเพ็ญเพียรตัดขาดแล้วเหล่านี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจห้าประการ ที่ภิกษุนั้นตัดขาดแล้วภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูหประการนี้ที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละได้แล้วกิเลสเครื่องผูกใจห้าประการนี้ที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตัดขาดแล้วเธอจักถึงความเจริญงอกงามไพบูร์ในธรรมวินัยนี้ ประมาด้วยแม่ไก่ฟักไข่ภิกษุนั้นเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยชั้นทัศมาธิประธานสังขารเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิประธานสังขารเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารมีความเพียรยิ่งเป็นที่หภิกษุ ผู้มีองค์15รวมทั้งความเพียรอันยิ่งอย่างนี้นั้นย่อมเป็นผู้ควรแก่ความเบื่อหน่ายยิ่งควรแก่การตรัสรู้และควรแก่การบรรลุธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมใคร8ดฟอง10ฟองหรือสิองฟองที่แม่ไก่นอนกกไว้อย่างดีให้ความอบอุ่นอย่างสม่ำเสมอฟักแล้วอย่างดีแม้ว่าแม่ไก่นั้น จะไม่เกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าถ้าอย่างไรขอลูกไกเหล่านี้พึงใช้ปลายเล็บหรือจะงอยปากเจาะทําลายเปลือกไข่ออกมาโดยสวัสดิภาพก็ตามถึงอย่างนั้นลูกไก่เหล่านั้นก็ต้องเจาะทําลายเปลือกไข่ด้วยปลายเล็บหรือจะงอยปากออกมาโดยสวัสดิภาพได้แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีองค์15้ารวมทั้งความเพียรอันยิ่งอย่างนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้ควรแก่ความเบื่อหน่ายยิ่งควรแก่การตรัสรุและควรแก่การบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิทนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหลเจโตขีรสูรที่หจบ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 สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอสศาวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่สิ้นไปและภิกษุนั้นก็ไม่บรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ตนยังไม่ได้บรรลุส่วนปัจจัยเครื่องดำรงชีวิตคือจีวอนบินทบาทเสนาสนะและคิลานปัจจัยเพศบริคารที่บรรพชิตจำต้องนำมาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้โดยยาก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 อาสะวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่สิ้นไปและภิกษุนั้นก็ไม่ได้บรรลุธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุส่วนปัจจัยเครื่องดํารงชีวิตคือจีวรบิณทบาศเสนาสนะและคีฬาณปัจจัยเภสัตว์บริคารที่บรรพชิตจําต้องนํามาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากภิกษุนั้นควรพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเข้ามาอยู่อาศัยป่าทึบนี้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 ที่บรรพชิตจำต้องนำมาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากแต่เราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะเหตุแห่งจีวอละถึงเพราะเหตุแห่งบินธบาศเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะเหตุแห่งคีลานปัจจัยเพสัชบริขารเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อเราเข้าไปอยู่อาศัยป่าทึบนี้สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอสะวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่สิ้นไปและเราก็ไม่ได้บรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุภิกษุนั้นรู้แล้วควรหลีกไปจากป่าทึบนั้นไม่ควรอยู่